พระสารีบุตรทูลถามถึงเหตุที่ทำให้พรหมจรรย์ดำรงอยู่นานและไม่นาน18ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรหลีกเร็นอยู่ในที่สงัดรำพึงขึ้นมาอย่างนี้ว่าพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่ไม่นานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่นานครั้นเวลาเย็นจึงออกจากที่พัก เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรท่านพระสารีบุตรผู้นั่งอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นมาอย่างนี้ว่าพระมรรจันของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า พระองค์ไหนดํารงอยู่ไม่นานของพระผู้มีพระภาคพระเจ้าพระองค์ไหนดํารงอยู่นานพระมรจันของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์ไหนดํารงอยู่ไม่นานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์ไหนดํารงอยู่นานพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรพระมรจันของพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิขี พระพุทธเจ้าเวสภูดำรงอยู่ไม <issements. S 2> ่นานพระมรจันของพระพุทธเจ้ากกูสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมมะนะพระพุทธเจ้ากัตสปะดำรงอยู่นาน 19. ราอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้พระมรจันของพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าเวสภูดำรงอยู่ไม่นานพระพุทธเจ้าฆ่าสารีบุตรพระพุทธเจ้าวิปัสสี พระพุทธเจ้าสีขีพระพุทธเจ้าเวสภูทรงผ่อนคลายที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกสุตตะเคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตะชาดกอภูตธรรมเวทัละของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์จึงมีน้อยไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แก่สาวกไม่มีการแสดงปาติโมกเมื่อหมดพระพุทธเจ้า และสาวกผู้ตัสรู้ตามแล้วสาวกชั้นหลังๆต่างชื่อต่างโคตต่างชาติวันนะได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูลเธอเหล่านั้นพาให้พรหมจรรย์สูญสิ้นไปเร็วพลันเหมือนดอกไม้นานาพันกองอยู่บนแผ่นกระดานยังไม่ร้อยด้วยได้ย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายไปเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เอาได้ร้อยไวยข้อนี้ฉันใดเมื่อหมดพระพุทธเจ้า และสาวกพูดตัสรูต้ตามแล้วสาวกชั้นหลังๆต่างชื่อต่างโคตรต่างชาติวันนะได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูลเธอเหล่านั้นพาให้พรมจรร์ศูญสิ้นไปเร็วพันชั้นนั้นอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่ทรงผ่อนคลายที่จะกําหนดจิตของสาวกด้วยพระทัยแล้วทรงสั่งสอนสารีบุตรเรื่องเคยเกิดขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าเวสภูทรงกำหนดจิตภิกษุสงฆ์แล้วทรงสั่งสอนภิกษุสงฆ์1000รูปในราวป่าน่าสะพึงกลัวแห่งหนึ่งว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาเช่นนี้อย่าพิจารณาอย่างนั้นจงตั้งใจอย่างนี้อย่าตั้งใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดจิตของภิกษุ1000รูปที่พระพุทธเจ้าเวสภูทรงสั่งสอนหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีความถือมั่น สารีบุตรเพราะราวป่าหน้าสะพึงกลัวหน้าสยดสยองจึงมีเรื่องดังนี้คือภิกษุผู้ไม่ปราศจากราคะเข้าไปราวป่าส่วนมากเกิดความกลัวคนลุกขนพองสารีบุตรนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าวิปสัสสีพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าเวสภูดารงอยู่ไม่นานยี่สิบ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้พระมรรจันร์ของพระพุทธเจ้ากัคขุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะและพระพุทธเจ้ากัสปะดํารงอยู่นานพระพุทธเจ้าข้าสารีบุตรพระพุทธเจ้ากัคขุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะและพระพุทธเจ้ากัสปะไม่ทรงผ่อนคลายที่จะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกสุตตะเคยะยะวยากรณนะคาถา อุทานอิติวุตกะชาดกอัภูตธรรมเวทัลละของพระพุทธเจ้าสามพระองค์จึงมีมากทรงบัญญัติศิกขาบทไว้แก่สาวกมีการแสดงปาติโมกเมื่อหมดพระพุทธเจ้าและสาวกพูดตรัสรู้ตามแล้วสาวกชั้นหลังๆต่างชื่อต่างโคตรต่างชาติวันนะได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูลเธอเหล่านั้นพาให้พรมจรร์ดรงอยู่นาน เหมือนดอกไม้นาณาพันธุ์กองอยู่บนแผ่นกระดานเอาได้ร้อยไว้ย่อไม่ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปเพราะเหตุไรเพราะเอาได้ร้อยไว้ข้อนี้ฉันใดเมื่อหมดพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้วสาวกชั้นหลังๆต่างชื่อต่างโคตต่างชาติวรรณะได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูลเธอเหล่านั้นพาให้พรหมจรรย์ดำรงอยู่นานฉั้นนั้น สารีบุตรนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้ากกคุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะพระพุทธเจ้ากสัสสะดำรงอยู่นาน